เรื่องวิกับอาหารที่หวังว่าจะได้226ครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระอนอนท์เป็นปัจชาสมณะเสด็จเข้าไปตระกูลหนึ่งครั้นถึงแล้วได้ประทับนั่งบนอัศนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นพวกชาวบ้านได้ถวายโภชนาหารแด่พระผู้มีพระภาคและท่านพระอนอนท์ท่านพระอนอนท์มีความยำเกรงอยู่จึงไม่รับประเคน พระผู้มีพระภาครับสั่งว่ารับเถิดอานนท่านพระอานนท์กราบทูลว่าอย่าเลยพระพุทธเจ้าข้ า, ขาพระพุทธเจ้ามีพรตทหารที่หวังว่าจะได้พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงวิกลับไว้แล้วรับลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้วิกลับพรตทหารที่หวังว่าจะได้แล้วฉันปรัมปราโภชนะ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายวิกับพัทหารที่หวังว่าจะได้อย่างนี้คำวิกับอาหารกระผมถวายพัตาหารที่กระผมหวังว่าจะได้แก่ภิกษุชื่อนี้เรื่องวิกับอาหารที่หวังว่าจะได้จบ